วันนี้เป็นวันเสาร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด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 ให้มีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความเสื่อมน้อยลงวันนี้เราจะมาเรียนฟังเรื่องประโยชน์ของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานี้มีประโยชน์ต่อสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ที่ยังท่องเที่ยวในอยู่ในสังสารวัฏวัฏของการเกิดแก่เจ็บตายในภพต่างๆทั้งภพที่ดีภพที่มีแต่ความสุขและภพที่ไม่ดีภพที่มีแต่ความทุกข์ประโยชน์ของพระพุทธศาสนา นี้มีอยู่ให้กับสา์โลกที่ยังท่องเที่ยวอยู่นี้ก็เป็นเหมือนกับประโยชน์ที่บริษัทท่องเที่ยวบริษัทนาเที่ยวมีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวนั่นเองเวลานักท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวตามประเทศต่างๆ ต, ตามสถานที่ต่างๆของประเทศต่างๆ ถ้ามีบริษัทนำเที่ยวพาไปนักท่องเที่ยวก็จะสะดวกจะสะบายและได้ได้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขปลอดภัยจากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไปเองไปโดยที่ไม่มีผู้ที่รู้จักทางนำไปนักท่องเที่ยวถ้าไปท่องเที่ยวตาม ลำพังของตนก็อาจจะหลงทางไปที่ที่ไม่ปลอดภัยที่เป็นอันตรายต่ อ, อชีวิตก็ได้นี่แหละคือประโยชน์ของพระพุทธศาสน า, ออาสต่อสัตว์โลกที่ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัตตสงสารอยู่พระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนกับบริษัทนำเที่ยว มีหัวหน้ามีพนักงานที่จะนำพานักท่องเที่ยวให้ได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่มีแต่ความสุขความเพลิดเพลินมีความสาราญใจไม่ให้ไม่ให้ไปเที่ยวหรือไปหลงไปอยู่ที่มีภัยอันตรายต่อจิตใจของนักท่องเที่ยว พระพุทธศาสนานี้จะนําพาสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ให้เวียนว่ายตายเกิดในสุกคติไม่ให้ไม่ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติสถานที่ท่องเที่ยวของสัตว์โลกนี้เราเรียกว่าตายพบคกอพบสาม พบสามระดับด้วยกันแบ่งเป็นกามาพบรูปพบและอารมณ์พบการมพบก็คือพบของผู้ที่ยังเสพกามยังหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพธภะชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลภะชนิดอยาก หรือรูปเสียงก็บโนดโพธิภพะที่ชนิดละเอียดที่เราเรียกว่ารูปทิพเสียงทิพิ่นทิพ ป, ป็นต้นการมาพบนี้เป็นพบที่สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดที่ยังต้องการจะเสกกามอยู่ซึ่งก็มีแบ่งเป็นสองกลุ่มแบ่งเป็นสองซีกด้วยกันพบที่มีแต่ความสุขเรียกว่าสุขคติ ะพบที่มีแต่ความทุกเรียกว่าทุกขติหรืออบายสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดที่ยังเสพการอยู่เวลาที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีการหาความสุขจากการเสพเลือกสียงกิรลดโถดพะด้วยวิธีต่างๆบางครั้งก็อาจจะหาความสุข จากรูปเสียงกิจลดด้วยการกระทำที่เป็นบาปคือไปเบียดเบียนพูดเรียกว่าเป็นการสร้างกรรมที่ไม่ดีเรียกว่าเป็นการสร้างบาปให้กับจิตใจ <c oughs> ที่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ต่อไปเวลาที่ออกจากเวลาที่ออกเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป ต้องแยกออกจากร่างกายดวงวิญญาณก็จะต้องไปรับผลบาปไปอยู่ในทุกขติไปอยู่ในภพที่มีแต่ความทุกข์ก็คือภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพของอสุรกายภพของนรกนี่เองที่ไปเหตุที่พาให้ไปก็คือ การไปทำบาปด้วยวิธีการต่างๆเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปลดและการเสพของบุญเมาเสพอบายมุขต่างๆนอกจากสุรายาเมาแล้วก็มีการเล่นการพนันการเที่ยวการเที่ยวเตะ และการเกียดค้านการคบกับคนที่ชอบอบายยมุขเป็นมิตรพฤติกรรมเหล่านี้แหละที่จะนำพาให้นักท่องเที่ยวต้องไปเที่ยวในทุกขติกันก็คืออบายสีด้วยกันแต่ถ้าเวลาเป็นมนุษย์แล้วเวลาไปหาความสุขจากรูปเสียงกิเรสโภธภะ ก็ทำโดยวิธีที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นอไม่ได้ทำบาปทำกรรมกับใครตายไปก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปข่าวหน้าเลยแต่ถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวในสุขคติในภพที่ มีความสุขมากกว่าพบของมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำบุญทำทานมีการทำคุณทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นการได้ทำบุญทำทานการได้ทำคุณทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นก็จะสร้างบุญขึ้นมาในใจ บุญนี้ก็คือความสุขใจอิ่มใจที่จะส่งให้ดวงวิญญาณของผู้กระทาหลังจากที่ร่างกายได้ตายไปแล้วดวงวิญญาณก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันอันนี้ก็เป็นที่ไปของผู้ที่ ทำบุญทำทานรักษาศีลห้าไม่เสพอ บ, บายามุกเวลาตายไปก็จะมีที่ไปที่สวรรค์หกชั้นด้วยกันเรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพแล้วสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพก็คือสวรรค์ชั้นพรหมชั้นรูปประพรูปประพบเกชั้นของรูปประพรม และชั้นของอรูปภพที่มีความสุขที่สูงสุด ข, ของตายภพของสังสารวัฏก็คืออรูปภพนี้เป็นภพของรูปอรูปภพส่วนภพที่มีความสุขน้อยลงมาป่าอารูปภพก็คื อ, อรูปภพ แล้วน้อยกว่ารูปภพก็คือเทพภพภพของเทพทั้งหลายแล้วภพที่น้อยที่มีความสูงน้อยกว่าเทพภพก็คือภพของมนุษย์ภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่อยู่ระหว่างระหว่างสุขกติกับทุกขกติมีทั้งบุญมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์วนกันไปวนกันมาซึ่งอยู่กับ พฤติกรรมของมนุษย์ว่าจะสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับตนเองถ้าทำความดีทำบุญทำกุศลก็จะสร้างความสุขให้กับตนเองถ้าทำบาปทำกรรมสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ก็จะสร้างความทุกข์ให้กับตนเอง พฤติกรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนมาคอยบอก<ม>สัตว์โลกที่หลงงมงายก็จะไม่เชื่อไม่รู้<ม>ก็จะไปทำตามอิทธิพลของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจที่จะคอยบีบคอยบังคับ คอยสั่งให้ไปกระทาตามความอยากตามความโลภต่างๆถ้าต้องทำโดยที่ต้องทำบาปก็จะทำเพราะจะไม่มีความกลัวบาปจะไม่มีฮริโอตปะเพราะว่าเห็นว่าชีวิตนี้ก็มีเพียงร่างกายนี้ อย่างเดียวร่างกายนี้ก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่พอตายไปแล้วก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปต่อไปก็เลยไม่กลัวเรื่องการกระ ท, ทำบาปเรื่องผลของบาปที่จะเกิดตามมาก็คิดว่าเมื่อตายแล้วชีวิตก็จบลงไปสิ้นสุดลงที่มี ที่เรียกกันว่าตายแล้วสูงพวกนี้ก็จะไม่กลัวบาปกันแล้วก็ไม่คิดที่จะทำบุญกันเพราะการทำบุญนี้เป็นการเสียผลประโยชน์ของตนเองเสียทรัพย์เสียเวลาของตนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่มีกิเลสตัณหาความโลภความอยากหาความสุขให้กับตนเองเพียงอย่างเดียวก็จะไม่ คิดถึงเรื่องการทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆและคิดจะจะหาความสุขทำอย่างไรทำให้ได้ความสุขจากลาบยศสสรเสริญจากลูกเสียง ก, กลิ่นรสโผทพะก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการหาเงินหาทองด้วยวิธีการต่างๆสุดท้ายแต่ความรู้ความสามารถของแต่ละคน บางคนก็มีแต่ความรู้ความสามารถที่หาเงินโดยวิธีช่อโกงหลอกลวง<ม>เพื่อที่จะได้เงินมาเยอะๆเมื่อได้เงินมาแล้วก็จะได้ใช้เงินนี้ไปซื้อสิ่งต่างๆที่อยากจะได้เพราะเงินนี้สามารถซื้อได้ทั้งยศทั้งทางสรรเสริญทั้งรูปเสียงกฤฤฤฤฤฤฤฤิจนรสโพธิภพ เอาเงินไปซื้อตําแหน่งได้เราคงได้ยินได้ข่าวเรื่องเรื่องของการทํางานคนที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนี่จำเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองกันถ้ามีเงินจ่ายก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้อย่างง่ายดายรวดเร็วถ้าไม่มีเงินก็ก็อยู่ที่เดิมไปมีเงินก็สามารถซื้อสรรเสริญซื้อลังวีลางวัลอะไรต่างๆได้ อยากจะใบเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรถในรูปแบบไหนก็เสพได้อยากจะซื้อรถสวยๆน่รู้หลาราคาแพงซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้ออะไรของหรูหราอะไรต่างๆนี้ถ้ามีเงินทุกอย่างนี่ถ้าสามารถที่จะซื้อได้คนที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาการมาตัณหาความอยากจะเสพกามเี่ก็มักจะถูก กิเลสตัณหานี้บีบบังคับให้ไปหาเงินมาโดยวิธีวมชอบวิธีที่ไม่สุดจริดสุดแท้แต่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนถ้าต้องโกหกหลอกลวงก็จะโกหกหลอกลวงถ้าต้องประพฤติผิดประเพณี<ม>ก็ประพฤติผิดประเพณีขายเนื้อขายตัวกันถ้าต้อง รักทรัพย์ก็จะไปป้นไปจี้กันถ้ามีการต่อสู้กันก็ถ้าต้องฆ่าก็ก็ก็จะฆ่ากันนี่คือจิตใจของผู้ที่ถูกโมหะอาวิชชาความหลงความไม่รู้ว่าผู้ที่กระทำบาปกระทำบุญนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายและผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนี้ไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่ทําบุญทําบาปนี้คือจิตใจที่เป็นเจ้านายของร่างกายกทีชีวิตของสารโลกของมนุษย์นี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันประกอบด้วยสองส่วนมีทั้งร่างกายและมีทั้งจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่มองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่จิตใจนี้ ตาของร่างกายมองไม่เห็นเพราะจิตใจเป็นนามธรรมจิตใจจะเห็นจิตใจได้ต้องเห็นด้วยจิตด้วยใจแต่จะเห็นด้วยจิตด้วยใจด้วยต้องมีกระจกเหมือนกับร่างกายนี้ถ้าเราจะเห็นหน้าตาของเราว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรถ้าไม่มีกระจกเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรเราต้องส่งกระจกดู ในสมัยนี้มีมีโทรศัพท์มือถือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายหน้าของตนเองได้ก็จะเห็นหน้าของตนเองแต่แต่หน้าตาของใจนี้ไม่สามารถใช้ตาของร่างกายให้มองเห็นได้คนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มองเห็นมองเห็นแต่ร่างกายมองไม่เห็นใจก็เลยคิดว่า ชีวิตของตอนนี้มีเพียงร่างกายเป็นส่วนเดียวมีเปร่างกายเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆไปคิดว่าผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งการนี้อยู่ที่สมองสมองนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างก์ได้ทำบุญทำบาปไปทำอะไรต่างๆสมองนี้เป็นผู้คิดผู้รู้ผิดถูกดีชั่ว รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษอันนี้เรียกว่าโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงเพราะความจริงนี้จากผู้ที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาการปฏิบัติจิตทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่ง mm. ก็จะเห็นว่า ผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันผู้ที่ปฏิบัติจิตกับภาวนาก็คือผู้ที่เปิดตาในนั่นเองเปิดตาใจเปิดตาทิพใจนี้เป็นของทิพต์จะเห็นใจต้องใช้เปิดใช้ตาทิพถึงจะมองเห็นได้พวกเราทุกคนมีตาทิพ์แต่ตอนนี้ตาทิพ์มันมืดบอด มันถูกโมหะอาวิชชาปิดกั้นเอาไว้จึงทำให้ตาทิพนี้มอยมองไม่สามารถมองเห็นกายทิพได้ก็คือใจนี่แต่ถ้ามาศึกษามาปฏิบัติวิธีจเจริญจิตภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาทำจิตใจให้สงบเวลาจิตใจสงบนี้ตาในก็ เปิดขึ้นมาตาทิพย์ก็จะเปิดขึ้นมาตอนนั้นตานอกก็จะถูกปิดลงไปคือตาของร่างกายเวลานั่งสมาธินี้<ม>จะสลับตากัน <c oughs> จะปิดตานอกเพื่อที่จะได้เปิดตาในาได้<ม>พอตาในาถูกเปิดขึ้น<ม>ก็จะเห็นผู้รู้ผู้คิดขึ้นมามผู้มีความรู้สึกนึกคิด<ม>เห็นเวทนา<ม>เห็นสัญญา<ม>เห็นสังขาร<ม>เห็นวิญญาณ แต่ถ้าเวลาที่เปิดตานอกขึ้นมาตาในก็จะถูกปิดลง<ม>ก็จะเห็นแต่ร่างกายที่มีอาการ32 ม, มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น<ม>ก็จะคิดว่าร่างกายนี้แหละเป็นตัวเราของเรา<ม>เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ<ม>ก็เลยเชื่อว่า การทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วนี้จะมีผลก็มีผลที่ร่างกายเท่านั้นแต่พอหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว <c oughs> ผลที่ได้เกิดที่เกิดจากการทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วนี้ก็จะไม่สามารถส่งผลได้ต่อไป <c oughs> อันนี้แหละคือโมหะอวิชชา <c oughs> ที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ มีกันเป็นกันคือมีความหลง <c oughs> หลงในร่างกายว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ทำอะไรต่างๆเป็นผู้ที่จะต้องรับผลบุญผลบาปผลดีผลชั่วในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าตายไปแล้วผลดีผลชั่วผลบุญผลบาปก็ไม่สามารถที่จะ ส่งผลให้ได้ต่อไปแล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าสามารถที่จะหาเงินหาทองได้มากๆก็คิดว่าสามารถใช้เงินทองนี้มามามาปิดผลของของความชั่วของตนเองได้ทำาชั่วแล้วก็ไม่ต้องติดคุกติดตรางก็ได้ถ้ามีเงินมีทอง ถ้ามีเงินทองก็สามารถซื้อได้ซื้อตำรวจก็ได้ซื้ออัยการก็ได้ซื้อสารก็ได้ซื้อคุกซื้อตารางคนที่คุมคุกคุมตารางก็ได้อยู่ในคุกก็ไม่ต้องอยู่ในคุกติดคุกก็ไม่ต้องอยู่ในคุกสามารถมีวิธีซิกแซกไม่สบายป่วยเจ็บไข้ก็อยู่โรงพยาบาลไม่ต้องรักษาตัวในคุกในตาราง คนเชื่อแบบนี้จึงมุ่งไปที่การหาเงินหาทองกัน<ม>เพราะคิดว่าถ้ามีเงินทองแล้วสามารถซื้อได้ทุกอย่าง<ม>แต่ไม่รู้หรอกว่า<ม>อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องรับผลบุญผลบาปต่อไป<ม>เพราะผลบุญผลบาปที่จะได้รับนี้มันเป็นเรื่องของของกายทิพย์ใจผู้ที่เป็นกายทิพย์นี้จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่างๆ ถ้าอยากจะรู้ว่าผลบุญผลบาปเป็นอย่างไรนี้เราก็จะสามารถรับรู้ได้มีหนังตัวอย่างให้เราดูกันหนังตัวอย่างคืออะไรก็คือความฝันนี่ตอนเกินเวลาเรานอนหลับนี่ก็เหมือนตอนที่ร่างกายนี้ตายไปชั่วข่าวเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ตายไปแบบถาวรตายแล้วตายชั่วข่าวหลับยังตื่นได้ ไม่ใช่เหมือนถ้าตายจริงเนี่หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี mm hmm. แต่นี่เวลานอนหลับนี่เป็นเป็นการหลับแล้วตื่นยังมีฟื้นได้ mm hmm. แต่ขาขณะที่หลับนี้ก็เหมือนกับเวลาที่ตาย mm hmm. เวลาที่หลับนี้ใจที่เป็นกายทิพย์ก็จะเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปที่ตนเองได้ทําไว้ mm hmm. ในรูปแบบของความฝันต่างๆถ้าทำบาปถ้าบาปเป็นผู้สร้างความฝันขึ้นมา<ๆ>ก็จะฝันร้ายฝันแต่เรื่องไม่ดีฝันแต่เรื่องที่มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความเครียดความกลัวความอะไรต่างๆทัๆ้งหลายถ้ามีบุญ<ๆ>บุญเป็นผู้สร้างความฝัน<ๆ>ก็จะฝันแต่เรื่องดีๆ พันเรื่องที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีแต่ความเพลิดเพลินหรนษาได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่สวยสดงดงามได้ไปพบกับแฟนได้พบกับคนรัก ท, ที่ที่ชอบได้มีสวรรค์มีมีบ้านมีปราสาทมีอะไรต่างๆให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายอันนี้แหละเป็นหนังตัวอย่างของนรกและของสวรรค์ ที่กายทิพย์ของพวกเราทุกคนจะต้องไปได้ไปเจอกันหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอันนี้ยืนยันได้ถ้าฝันดีนี่แสดงว่าใจเรานี้มีบุญเยอะถึงอยากได้ฝันดีถ้าฝันไม่ดีนี่แสดงว่าใจเรานี้มีบาปเยอะจะฝันเรื่องที่ไม่ดีเรื่องโหดร้ายทารุณเรื่องอดอยากขาดแคลน เรื่องทุกเรื่องทรมานใจต่างๆอันนี้แหละเรียกว่าเป็นหนังตัวอย่างถ้าอยากจะรู้ว่าโลกทิพย์เป็นอย่างไรเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเนี่ยโลกทิพย์ก็คือโลกของของจะของกายทิพย์ที่ไปท่องเที่ยวในรูปแบบของความฝันต่างๆนี่<ๆ>แล้วก็เป็นความฝันที่ไม่ใช่แค่ชั่วขณะที่ร่างกายนอนหลับเท่านั้นเพราะ มันจะฝันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ร่างกายขึ้นได้ร่างกายใหม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ซึ่งการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ละครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาเป็น1้อยปีพันปีหรือหมื่นปีก็ได้ก็อยู่กับว่าบุญกับบาปที่ได้ทำไว้นี่มันมากน้อยเพียงไรจะต้องไปใช้บาปใช้บุญนี้มากน้อยเพียงไรจนกว่าจะได้มาได้ร่างกายใหม่ พอได้ร่างกายอันใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่นะตอนนั้นแหละก็เป็นเวลาที่ตื่นมาตื่นมาใหม่ตื่นจากการนอนหลับหลับที่ยาวความตายความจริงก็คือการไปเปลี่ยนร่างกายดีๆนี่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเก่ามันหมดสภาพมันอยู่ไม่ได้มันก็ตายไปใจก็ต้องอยู่ในโลกทิพย์อยู่ในโลกของบุญและบาปบุญและบาปก็จะในละมิดเรื่องราวต่างๆ เรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าบุญหรือบาปนี้มันหมดมันหมดกำลัง <c oughs> หมดกำลังแล้วก็ต้องไปรอรับร่างกายอันใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคิวจะยาวหรือไม่ เ, เหมือนเราไปโรงพยาบาล น, นี้บางทีก็ต้องไปเอาบารคิวก่อนบางทีไปวันนี้บัตรคิวมัน มันไม่มีสำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องนัดให้กลับมาอาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็มีคิวมันยาวกว่า จ, จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ช่วงนั้นก็ต้องอยู่ในโลกที่แบบไม่มีร่างกายไปก่อนอยู่แบบจืดจไม่สุขไม่ทุกข์อยู่แบบเหมือนคนที่ติดคุกติดตารางไม่ได้ออกไปไหนมาไหนจะเสบบุญก็ไม่มีบุญให้เสบบาปก็ไม่มีกาลังที่จะส่งผล ตอนนั้นก็อยู่แบบจืดๆชื่อดๆไปจนกว่าที่จะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่พอลืมตาขึ้นมาก็ถือว่าตื่นขึ้นมาใหม่มองเห็นมองเห็นโลกเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดฉะใหม่พอคลอดออกมาแล้วความอยากกิเลสตัณหาก็เริ่มทำงานเด็กมันออกมามันก็เริ่มร้องแล้วอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่นะ อ ย, นนอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่อยากจะอะไรต่างๆทุกครั้งที่เด็กร้องเนี่ยมันแสดงว่าตัญหาความอยากมันเกิดขึ้นมามันก็จะมันก็จะดิ้นหลนต่อไปตามความอยากไปพอโ ต, โตขึ้นมาได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะเริ่มไปทำตามความอยากของมั น, มนถ้าเคยทำบาปมามันก็จะไปทำบาปต่อ ถึงแม้พ่อแม่จะสั่งจะสอนจะห้ามไม่ให้ไปทำบาปมันก็จะไปทำบาปเพราะมันรู้จักวิธีวิธีนี้ที่จะทำให้มันได้รับสิ่งที่มันอยากได้สำหรับคนที่มีนิสัยไม่ชอบไม่ไม่ทำบาปมีแต่ทำบุญเกิดมาก็จะไม่ทำบาปถึงแม้จะมีความอยากได้นอยากได้นี่ก็รอหรือหามาโดยวิธีไม่ทำบาปถ้าต้องทำบาปก็จะไม่ทำ แล้วถ้ามีเงินทองมีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็จะชอบเอาไปทําบุญต่ออันนี้นิสัยเดิมมันจะติดมาด้วยมันไม่มันไม่หายไปนิสัยเราที่เรามีอยู่ในขณะนี้ชอบทําบุญหรือชอบทําบาปนี้มันจะติดไปกับใจของเราต่อไปและเวลาที่เรามากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาทําบาปทําบุญของเราใหม่ไปเรื่อยๆ ชีวิตของเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเนี้ยในกามมาภพตามได้ถ้าเรายังไม่ได้เลิกการเสพกรรมมาภเลิกการเสพกรรมเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพระเลิกหาทรัพย์หาเงินหาทองหาลาบยศสารเสริญกันแต่สําหรับบางคนที่มาเกิดแล้วนี้อาจจะมีความฉลาดมีความเห็นว่าการที่เสพกรรมนี้มันเรื่อง มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขพอจะต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเพื่อมาซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่รถต่างๆแล้วพอซื้อไปได้เสพเดี๋ยวเดียวมันก็หมดหมดแล้วมันก็ทำให้ความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่รถนี้มันจางหายไปทำให้เกิดความรู้สึกว้าเหว่องอะเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะเห็นว่า การเสพความนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวที่ไม่สามารถที่จะกําจัดความเศร้าส้อยงอยเหงาให้หมดไปจากใจได้เสพเท่าไหร่มันก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินในช่วงที่ได้เสพได้สัมผัสแต่หลังจากเวลาผ่านไปแล้วความความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสลูกเสียงกิ่ิลลมันก็หมดไป ใจก็จะกลับมาเศ้าส้อยง่อยเงาว้าเวะต่อไปถึงจะมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของอะไรต่างๆเต็มรอบตัวไปหมดข้าวของที่ซื้อมาที่ให้ความสุขตอนใหม่ๆพอหลังจากเสดมันไปแล้วมันก็ไม่มีให้ความสุขเหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนตอนใหม่ๆก็จะเห็นว่าวิธีการหาความสุขแบบนี้มันไม่ได้เป็นวิธีที่หาความสุขเป็นความสุขที่ชั่วคราว แล้วก็จะต้องมาเจอกับความเศ้าซ้อยหงอยเหงาแล้วก็ต้องมาดิ้นรนมาทุกขกับการหาหาความสุขต่อไปอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพวกนี้บางทีเขาก็ไปพบกับนักบวชนักบวชก็จะสอนว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งนะที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้ยศไม่ต้องใช้ตําแหน่งไม่ต้องให้ใครมาสรรเสริญเยืนยอ ไม่ต้องใช้รูปเสียงกดลิ่นรสอะไรต่างๆมาให้ความสุขเพียงแต่มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสผลถั่วชนิดต่างๆพวกนี้ก็จะไปลองศึกษาไปลองปฏิบัติดูถ้า ถ้าสำเร็จถ้าได้ผลดีนะก็จะไปบวชกันออกไปอยู่แบบนักบวชกันไม่หาความสุขนะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนพบจากการมาพบจากการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบนะไปเกิดในรู ป, ปรพบหรืออรู ป, ปรพบกขึ้นอยู่กับความสงบว่าได้ในระดับไหนนะถ้าได้ความสงบในระดับรูปฌปานะก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปฌานชั้นรู ป, ปรพบหรือนะ รูปสวรรค์ของรูปประพมเนี่ยผู้ที่ไปเกิดในรูปประพนี้จะเป็นรูปประพร์แล้วผู้ที่ได้อารูปฌานก็จะไปเกิดในอารู ป, ประพรได้เป็นอารูปอารูปประพมมีความสุขสูงสุดในบรรดาความสุขสองระดับนี้ระดับอารูปฌานนี้มีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จาการูปฌานตรงนี้เขาก็จะ ไม่ต้องมาหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเขาเวลามาเกิดเขาก็มักจะไปเป็นนักบวชกันสังเกตดูคนบางคนมาเกิดแล้วนี้มักจะไม่ไม่เศษกรมไม่มีครอบครัวไม่มีความสุขกับการมีครอบครัวไม่มีความสุขกับการที่ไปเที่ยวไปไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ พวกนี้กับชอบไปอยู่วัดหรือชอบอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบเพราะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบทำใจให้นิ่งสงบเขามีความสุขมากกว่าการที่เขาไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกนี้เขามีนิสัยติดมาถ้าเขาเคยได้มีความสุขจากรูปปัจจันแล้วหรืออารูปปัจจันแล้วเขาจะไม่ติดความสุขจาก <c oughs> จากกรมอีกต่อไป แต่ความสุขจากรู ป, ปรชาญก็ดีจากอารู ป, ปรชาญก็ดีมันก็ยังเป็นอนนี้จังยังเป็นของเชั่วขาวอยู่เมื่อตายไปแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นรูปปภรมหรืออารูปปภรมจนกว่ากำลังของฌานที่ได้สะสมไว้ในใจมันหมดลงไปพอหมดลงไปมันก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ จะไปบวชไปหาความสุขจากการเข้าสมาธิเข้าฌานจะไปหาความสุขจากการรักษาศีลจะชอบรักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลของนักบวชศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดแต่ขณะที่เป็นมนุษย์ก็ยังจะต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายอยู่เหมือนกันไม่ว่าใครก็ตามเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ ก็จะต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายกันด้วยกันทุกคนซึ่งก็เป็นความทุกข์ที่ไม่มีใครอยากจะเจอกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่เป็นนักบวชเขาจะไม่ทุกข์มากเพราะเขาสามารถใช้ความสงบมาระงับความทุกข์ใจของเขาได้เวลาที่เกิดความทุกข์ใจเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายใจของเขาจะไม่ค่อยทุกข์ไม่วุ่นวายมาก เหมือนกับพวกที่เสพกามพวกที่เสพกามนี้จะไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ใจเขาสงมบม<ม>เวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเช่นเวลาไปรักษาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนี้ใจนี่จะไม่มีจะจ ะ, จะกจระจิตกระใจที่อยากจะทำอะไรต่อไป ม, มีแต่ความกลัวตายเพียงอย่างเดียว ความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปตรงนี้เขาก็จะทุกข์ทรมานมากแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาทำให้กับตัวเขาเองเขาประมาทเขาไม่เชื่อในคำสั่งคำสอนของนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกที่เป็นเหมือนกับผู้นำทางให้ดวงวิญญาณนี้ได้ไปสู่สุคติ ให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm. พวกที่พวกที่เห็นโทษของการมาเกิดทุกครั้งที่มาเกิดจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm. แต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทํามาให้ทั้งที่ทําให้ตัวเองต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ mm. จะมีผู้รู้เหตุที่พาให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ mm. นั้นก็นานๆจะมีโผลขึ้นมาสักคนหนึ่ง ผู้ที่รู้เหตุที่พาให้ดวงวิญญาณ น, นี้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็คือพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ค้นพบสาเหตุที่ทำให้ทำไมใจถึงจงต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทำไมทาให้ใจต้องมาม า, มาเกิดมามีร่างกายพระพุทธเจ้าหลังจากได้ปฏิบัติได้ศึกษาได้ออกบวชอยู่หกปี ก็ได้ค้นพบสัจ ธ, ธรรมความจริงของชีวิตว่าสิ่งที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน<ม>ก็คือความอยากนี่ความอยากเสพกาม <Serbia. S 2> เสพรูปเสียงกลิถถ่นลดผลิตภัณฑ์ความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้เป็นเหตุที่พาให้เราต้องมามีร่างกายกันเพราะถ้าเราอยากจะเสพรูปเราก็ต้องมีตา <routes. S 2> อยากจะฟังเสียงก็ต้องมีหู อยากจะดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากจะลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากจะสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบหนาวเย็น<ม>ก็คือก็ต้องมีร่างกาย<ม>เราจึงถ้าเรามีการมาตัิหามีความอยากที่จะเสกกลางอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเนี่ยความอยากนี่แหละที่จะเป็นตัวที่พาให้เรามามีร่างกายกัน ถ้าเราไม่อยากจะมีร่างกายไม่อยากจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้ได้ด้วยตวนเองนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามารู้ความจริงอันนี้แล้วจะได้มาสั่งมาสอนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้พบความจริงแล้วว่าถ้าอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิด อยากการหยุดความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหยุดความอยากการหาความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นรสผดผลากนแล้วก็ให้มาปฏิบัติจิตภาวนาทําจิตให้สงบให้แยกร่างกายออกจากใจก่อนแยกใจออกจากร่างกายให้เห็นให้รู้ว่าใจนี่แหละเป็นผู้คิดผู้อยากแล้วความอยากอยู่ในใจ แล้วก็มาหยุดความอยากด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าใจทุกข์เพราะความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเวลาเกิดความทุกข์ใจก็ไม่ต้องไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าเขามาทำให้เราทุกข์เวลาใครเขาด่าเรานี่เราก็ไปโทษเขาว่าเขามาทำให้เราทุกข์ใจแต่ความจริงความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากแม่เขาด่าเรานั่นเอง ถ้าเราอยากให้เขาด่าเราเราก็จะสมใจเราก็จะสุขใจวันนี้ไม่มีใครด่าเราเลยอยากให้คนด่าเราพอใครมาด่าเราโอ้ดีใจวันนี้มีคนเลยแต่เรามันชอบให้เขาชมอย่างเดียววันไหนไม่มีใครชมเรารู้สึกว่าไม่มีไม่มีความสุขเลยพอใครมาชมหน่อยโอ้วันนี้ดีใจมีความสุขใจสมใจแล้ววิธีแก้ความทุกข์ใจก็คือ ต้องยินดีกับสิ่งที่เราได้รับใครก็ด่าเราก็ต้องยินดีก็ยินดีวันนี้มีคนด่าเราดีใจถ้าดีใจมันก็จะมีความสุขใจถ้ามันไม่พอใจมันก็จะมีแต่ความทุกข์ใจขึ้นมามก็ต้องหยุดความอยากอย่อยาไปอยากให้เขาไม่ด่าเราถ้าถ้าอยากจะอยากก็อยากให้เขาด่าเราดีกว่าแต่ถ้าอยากให้เขาด่าเราไม่ได้อย่างน้อยก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเราก็แล้วกัน ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเรานะเขาจะด่าเรายัางไงเราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วก็เฉยเฉยอยากจะด่าก็ด่าไปเราไม่ได้มีความกัวงวลกับการด่าของเขาหรือการชมของเขาแต่อย่างใดปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราเท่านองอยากได้หรืออยากไม่ได้อยากมีหรืออยากไม่มีมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์กันเครียดกันเพราะไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากได้การเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ถ้าเราเฉยๆทําใจให้เราเฉยๆเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจในหน้าที่ของเราก็คือต้องมาฝึกใจทําใจให้นิ่งให้สงบให้เฉยให้ได้พอใจเรานิ่งใจเราสงบแล้วเฉยเวลาอะไรมากระทบพอเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดความอยากอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์เหมือท่า อยากจะรวยนี่มันก็จะทุกวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดอยากจะรวยวันนี้ก็ใจก็เต้นกันนะ้เดี๋ยวพอพอรางวัลออกมาเราไม่ถูกรางวัลก็ใจก็เศร้าขึ้นมาทันทีแต่ถ้าคนที่ไม่อยากจะรวยจากการซื้อหวยซื้ออตเตอี่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันจะออกเลขอะไรก็มันก็ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไม่ไม่ได้ดีใจไปเสียใจอะไรไปกับมันแต่พออยากอยากถูกหวยเนี่ยใจมันก็จะนิ่งหลนแล้วจะตื่นเต้นจะ กวนกวายแล้วว่านี้จะถูกหรือไม่แล้วพอไม่ถูกก็เสียใจเศร้าใจไปนี่แหละคือเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือความอยาก<ม>เหตุที่ทำให้เราต้องมาทุกข์กันก็คือความอยากนี่<ม>ดังนั้นพระเจ้าก็สอนให้พวกเรานี้<ม>ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาปฏิบัติมาบวชกันมาถือศีลแปดเป็นนักบวชกัน มาหยุดความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกิเลสด้วยการรักษาศิล mm hmm. แล้วก็มาหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่ง mm hmm. พอใจนิ่งแล้วความอยากมันก็จะสงบตัวลง mm hmm. พ อ, อ, อจากความออกจากความสงบออกจากความนิ่งถ้ามันเริ่มเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอยากเราจะทุกข์ mm hmm. เฉยๆดีกว่าถ้าเฉยๆแล้วใจจะไม่ทุกข์ อย่าไปอยากให้เขาชมเราเวลาเขาไม่ชมเราเราจะไม่เราจะทุกข์เวลาเขาด่าเราเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเฉยๆ เ, เรารับได้ชมก็ได้ด่าก็ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์เวลาใครเขาชมเราหรือด่าเราถ้าเราทาใจใเฉยล้วใจเราจะไม่ได้มีความอยากได้อะไรทั้งสินน้นแม้แต่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนความสุขที่ได้จาก ความสงบการอยู่เฉยๆนี่มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่มันมากกว่าความสุขที่ได้จากการถูกหวยในวันนี้คนที่มีความสงบมีความอิ่มมีความพอแล้วจะไม่จะไม่เดือดร้อนไม่สนใจกับการที่จะถูกหวยหรือไม่แต่อย่างใดเพราะว่าความสุขที่ได้จากการถูกหวยนี่มันมันซู้ความสุขที่ไดจากความอิ่มความพอของความนิ่งเฉยของใจไม่ได้ พอใจนิ่งเฉยแล้วมันถึงเมืองพออะไรก็ไม่ไม่ดีมีอะไรมาก็ถึงแม้จะดียังไงมันก็มีมีส่วนไม่ดีอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้มาเพียงแต่สุขอย่างเดียวมันเป็นเหรียญสองด้านได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็พลิกจากสุขกลายเป็นทุกข์ได้<ม>ถ้าวันนี้ถูกหวยนี่เดี๋ยวก็ต้องวิตกแล้วว่าจาเงินไปเก็บไว้ที่ไหน ถ้าไปบอกให้คนนั้นคนนี้รู้เดี๋ยวก็จะถูกเข้ามาปนมาจี้มาขอมาข อ, อยืมถ้าไม่ให้เขาก็โดนเขาดา่าก mm hmm. มันทุกข์ก็ตามมาทันที mm hmm. ากับการที่ได้ได้ลาบมาไม่ใช่ว่ามันจะได้ได้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแล้วพอใช้เงินหมด mm hmm. เงินที่ได้มาใช้เงินไปหมด mm hmm. ความสุขก็หมดไปความทุกข์มันก็กลับมาอยู่เดิม yeah. mm hmm. แต่ความสุขที่ได้จากความทำใจให้นิ่งเฉยนี้มันสุขอยู่ได้ตลอดเวลา เราสามารถทำให้มันนิ่งมันเฉยได้ตลอดเวลาเวลามันไม่นิง่งมันไม่เฉยเราก็ใช้สติหยุดมันหรือใช้ปัญญาหยุดมันถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยควบคุมความอยากได้ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดแล้วเราเราก็จะสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่แหะจะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะได้พาเราให้เราถ้าเรายังติดในการท่องเที่ยวอยู่เราก็จะไปท่องเที่ยวในสุคติพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นจะสอนให้พวกที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในการมพบว่าถ้าอยากยังยังอยากจะเสพกามอยู่แต่ไม่อยากที่จะไปติดอยู่ในอบายไม่ไปสู่ทุกขติหลังจากที่ตายไปแล้ว Aroma, pm, อยากจะไปสวรรค์หร <popping in. S 2> ือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยนี่ก็เบื้องต้นก็อย่าไปทําบาประงัการกระทําบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดปดแล้วอย่าดื่มของมึนเมาเพราะการดื่มของมึนเมาจะทําให้เราไม่มีสติยับยั้งการกระทําของใจได้ถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะทําบาปคิดแต่ทำบาป พอคิดทําบาปปั๊บมันก็จะพูดพูดแล้วก็ทําบาปทันทีพอทําบาปแล้วมันก็จะส่งผลให้กับใจผลบาปนี้มันก็จะเบื้องต้นก็จะทําให้ใจเราทุกข์เวลาทําบาปแล้วใจเราจะไม่สบายใจแล้วก็บาปที่เราทําอยู่นี้มันยังสะสมอยู่ในใจมันจ ะ, สะแสดงผลต่อไปก็ต้องเวลาเวลาที่เราร่างกายนี้ตายไป เราที่ร่างกายตายไปบาปที่มันทำที่เราท้ายสะสมไว้ถ้ามันมีแต่บาปมากกว่าบุญเนี่ยบาปมันก็จะเริ่มดึงใจให้เราไปท่องเที่ยวในอบายทันที<ม>ไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงคิดว่าทำด้วยทเพื่อเลี้ยงชีพจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้ก็เป็นบาปตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทาบาเพื่อเลี้ยงชีพ ทำบาปเพื่อความโลภอยากจะได้มากๆอยากจะมีมากๆก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความโกรธด้วยความมาฆาตพยาบาทก็จะไปนรก <Yeah. S 1> นี่แหละคือที่ไปของดวงวิญญาณของผู้ที่กระทำบาปจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนใะยับยั้งกฎแห่งกรรมได้ กฎแห่งกรรมนี้มันเป็นปกฎของธรรมชาติทำแล้วมันจะต้องเกิดผลขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่มันจะให้ผลมันก็จะเกิดผลขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากที่จะไปท่องในในอบายไม่ไม่อยากจะไปท่องเที่ยวในอบายไม่อยากจะไปท่องเที่ยวเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสุรกายไปนรกนี่ก็อยากไปทำบาปพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ดีแล้วตายไปถ้าเรารักษาศีลห้าได้ หรือถ้าทําบาปก็ทําบาปน้อยกว่าทําบุญ เ, เพราะว่าเวลาที่เราตายนี้บุญกับบาปมันจะมาเป็นผู้ที่มาดึงดวงวิญญาณออของเราเให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนบาปไม่หมดเพียงแต่บาปยังไม่มีกําลังมากเท่ากับบุญบุญก็ดึงให้ไปสวรรค์ก่อนพอกําลังของบุญหมด ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วถ้าเวลาตายไปครั้งต่อไปถ้าบาปมันมีกำลังมากกว่าบุญบาปมันถึงจะดึงใจให้ไปเกิดในอบายได้ดังนั้นนอกจากการไม่ทำบาปแล้วก็ควรที่จะทำบุญไว้ต้านบาปด้วยถึงว่าเราถ้าเกิดมีความจาเป็นที่เราต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าเรากลัวกลัวจะไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เราก็รีบทาบุญนะสิเอาเงินเอาทองที่เราได้มาจากการทำอากิรมนี้มาแบ่งมาทำบุญมาสร้างบุญขึ้นมาเพื่อมาต้านบาปที่เราได้ทำไว้ <c oughs> อันนี้ก็อย่างชะดฉลเวลาของการการส่งผลของบาปให้เกิดขึ้นแต่บาปไม่หายไปจากการทำบุญบาปก็เป็นเรื่องของบาปบุญก็เป็นเรื่องของบุญเพียงแต่ว่าเวลา ที่มันจะแสดงผลนี้อยู่ที่ว่าบาปหรือบุญในใจนี้อันไหนมีมากกว่ากันถ้าบาปมีมากกว่าบาปก็จะแสดงผลถ้าบุญมีมากกว่าบาป ก, ก็ยังแสดงผลไม่ได้ต้องรอให้บุญมันน้อยกว่าบาปก่อนมันถึงจะแสดงผลได้ น, นี่ก็เรื่องของการท่องเที่ยวในอบายถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีบริษัทนาเที่ยวมามาพาเราไป เราก็อาจจะไปหลงไปกับการกระทาบาปโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันมันต้องดิ้นรนมันอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันทุกข์มันทรมานใจก็ต้องพยายามดิ้นหาวิธีที่จะทำให้ความอยากนั้นได้ได้ตามความอยากความทุกข์ทรมานใจมันถึงจะหายไปคนนึงคนบางคนตึงนี้ต้องไปทําบาปกันเพราะมันทนกัอความทุกข์ทรมานใจไม่ได้ <c oughs> ทำบาปแล้วความทุกข์ทรมานใจจากความอยากทำบาปมันก็หายไปชั่วคราวแต่ไม่นานความผลของบาปมันก็จะแสะดงผลในใจคือความกลัวกลัววิบากกลัวผลที่จะตามมาเช่นเราไปทาผิดกฎหมายตอนตอน้ตนตอนที่เราทำเราก็รู้สึกสบายมีความสุขได้ทำตามที่เราอยากได้ทำไปขโมยไปต้นไปจี้ แต่พอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเกิดความกลัวตามมาแล้วกลัวที่จะต้องถูกจับติดคุกติดตารางตอนนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องอยู่ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆเวลาเจอเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีความหวาดวิตกขึ้นมา ท, าทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องผลของบาปเรื่องของการที่เราไม่มีผู้นําทางถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศ เราไปเที่ยวแบบไม่รู้ที่รู้ทางเราอาจจะไปเที่ยวที่มันไม่ปลอดภัยก็ได้แต่ถ้าเรามีบริษัทนําเที่ยวจัดรายการพาเราไปนี่เขาก็าจะจัดพาเราไปท่องเที่ยวในที่ที่มันปลอดภัยที่ไม่มีความไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียหายต่อเรานั่นเอง <Yeah. S 1> นั้นาการที่มีพระพุทธศาสนาก็ดีอย่างนี้ พอเรายังต้งพวกเรายัางไม่ถ้ายัางไปไม่ถึงนิพพานยังไม่ได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี่เรายังต้องเที่ยวอยู่ในตายพบอยู่นี่เราท่องเที่ยวอยู่ในกามภพรูปภพและอรูปภพ<ม>และการที่จะไปท่องเที่ยวในที่ที่มีแต่พบที่มีความสุขนั้นต้องอาศัยผู้ที่เขามีประสบการณ์แล้ว ก็ต้องอาศัยพวกบริษัทนําเที่ยวทั้งหลายนี่เขามีประสบการณ์เขาเคยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมาแล้วเขาก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกว่าอยากจะไปไหนอยากจะไปเทวภพหรืออยากจะไปรูปภพหรือไปอรูปภพหรืออยากจะไปนิพพานเขามีเมนูให้เราเลือกเราสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ เพียงแต่จ่ายเงินแล้วก็ทำตามที่เขาสั่งนั่นเอง<ม>ถึงเวลานัดก็มาตามนัดเขาบอกให้ไปขึ้นเครื่องเวลาไหนก็ไปขึ้นเครื่องเราขึ้นเครื่องแล้วเขาก็จะพาเราไปตามตามรายการที่เราได้เลือกไว้<ม>ถ้าเราไม่อยากจะไปอบายเราก็ต้องรักษาสี่ห้ากัน<ม>อย่าเสพอบายอย่ามุกมถ้าเราอยากจะไปสวรรค์<ม>ไปอยู่ไปท่องเที่ยวในเทวพุเราก็ต้องทำบุญให้มากกว่าทาบาป เวลาตายไปบุญก็จะดึงให้เราไปเกิดในเทวภพนะถ้าเราอยากจะไปท่องเที่ยวในในพรหมโลกนะในรูปภพหรืออรูปภพเราก็ต้องไปบวชกันไปอยู่แบบนักบวชนะถือศีลแปดขึ้นไปถือศีลแปดแล้วก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิเช่น ญ, ญาตโยมที่มาอยู่วัดนุ่งขาของมขาวนี่ก็มามาจองรายการที่จะไปเที่ยวในพรหมโลกกัน มาถือศีลแปดกันไม่กินข้าวเย็นไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขจากการเสพลบืเสียงกีจรถเอาเวลามาณนะเข้าโบสนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาขึ้นมานี่คือคือกำลังจองตั๋วที่จะไปเที่ยวพรห ม, มโลกกันพวกที่นุ่งขาวห่มขาวนี่เขาเบื่อกับความสุขทางทางกามาพบทางโลกของเทพพระโลกของมนุษย์ ที่มีความสุขที่ชั่วคราวที่วุ่นวายไม่มีไม่มีวันจบสิ้นก็เลยอยากจะไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาถ้าอยากจะไปรูปภพหรืออรูปภพก็ต้องไปบวชกันไปถือศีลศีลนักบวชจะบวชแบบชั่วคราวก่อนก็ได้ถ้ายังไม่พร้อมที่จะบวชแบบถาวรก็ไปเหมือนไปชิมอาหารร้า น, นีดูก่อนว่าร้านนี้อาหารเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อย ถ้าอร่อยแล้ววันหลังก็จะได้มาประจําเป็นลูกค้าประจําได้แต่เบื้องต้นก็ต้องไปชิมดูก่อนว่ า, าดีไหมความสุขที่ได้จากความสงบนี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสกลดถ้าหรือไม่พอได้เสบได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> จะเกิดความยินดีพอใจก็จะอาจจะบวชแบบถาวรอะไรก็ได้เบื้องต้นอาจจะบวชแบบเชื่วค่าวก็เยก่อนบวชครั้งละสาวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้าง หรืในช่วงเข้าพรรษาก็อาจจะบวชสักสามเดือนแต่เมื่อได้ได้เสพได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะเกิดความยินดีมากขึ้นไปเกิดความเพียรความพยายามที่อยากจะบวชให้ได้นานๆต่อไปก็อาจจะไปบวชแบบถาวรเลยไ ม, ไม่หันหลังให้กับความสุขทางทางกลามนะทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วนะเพราะเป็นความสุขส่วนหยาบและเป็นความสุขที่ชั่วคราวเดี๋ยวเดียว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดแล้วก็ทำให้เราต้องเศร้าส้อยเหงาเหงาสู้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขแบบชั่วคราวแต่เราก็สามารถทำมันได้อยู่เรื่อยๆพอเราออกจากสมาธิมาพอใจหายหสงบเริ่มเกิดการวุ่นวายล้วก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ได้แล้วถ้าเราเห็นว่าการที่เรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากต่างๆอยู่ ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปศึกษาเรื่องของเหตุที่พาเรามาเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากอะไรและกูที่จะรู้ก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาเนระศาสนานี้ก็จะมีเมนูพิเศษคือการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดการไม่มาท่องเที่ยวในตายพบอีกต่อไปวิธีที่จะทําให้ไม่ท่องเที่ยวในตายพบก็คือเวลาที่เกิดความอยากก็ต้องหยุดความอยาก ถ้าเรามีสมาธิมีกำลังทำใจให้เฉยได้เวลาเราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็เดินใจสอนใจว่าอย่าไปทำทำแล้วต้องกลับมาเกิดพอรู้ว่าต้องกลับมาเกิดก็หยุดความอยากได้เวลาอยากจะได้ความสุขแบบอยากได้อะไร ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากจะพาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพอมีปัญญาคอยสอนใจให้คอยระ ง, งับความอยากเวลาเกิดขึ้นมาในใจใจก็จะไม่กล้าอยากกับอะไรอีกต่อไปเมื่อใจไม่มีความอยากของเหลืออยู่แล้วใจก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปใจที่ไม่ไปเกิดเราก็เรียกว่านิพานนีอ่อันนี้เป็นรายการสูงสุดเพราะนิพานนี้เป็นที่ที่มีความสุขมากที่สุด ที่ที่มีความสุขที่ยาวนานที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ถาวรยั่งยืนนิพพานังปรมังสุขขังเกิดจากนิพพานังปรมังสุญญงว่างจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงไม่มีกามาตัาหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาอยู่ในใจต่อไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้แหละคือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่ มีความสำคัญต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่อ ย, ย, อยู่ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาะเป็นผู้นำพาเราท่องเที่ยวพบต่อไปของพวกเราถ้าถ้าเรายังไม่สามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในภพนี้ได้เลยภพต่อต่อไปของพวกเราก็จะมีแต่สุคติไปเกิดในเทวภพ บ, บ้างไปเกิดในพรหมภพมพรหมภพบ้าง ก็อยู่กับความสามารถอยู่กับความเพียรพยายามของเราว่าเราจะปฏิบัติมากน้อยเพียงไรแตาการที่เราจะไปเกิดในอาบาสนี้ก็จะไม่เกิดอีกต่อไปถ้าเราทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธศาสนาคือไม่ให้กระทําบาปทั้งปวงให้ทาแต่บุญกุศลแล้วถ้าต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ให้มาชาระจิตใจให้สะอาด กำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันที่พาให้เรามาต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกันก็คือความอยากนี่ถ้าเราฝึกสมาธิจนกระทั่งเราสามารถทําใจให้นิ่งเฉยได้เราก็สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ เวลาเกิดความอยากเราก็จะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความอยากนี้พาให้ไปสู่ความเกิดแก่เจ็บตายความอยากนี้พาให้เราไปพบกับความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์ไม่อยากจะต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายก็อย่าไปทำตามความอยากอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆได้นี่มีความสุขมากยิ่งกว่าการไปทาอะไรแต่เราหยุดไม่ได้ท่นเอง แต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆต่อไปเราจะหยุดได้อยู่เฉยๆได้เราจะเห็นว่าการอยู่เฉยๆนี่แหละเป็นความสุขที่สุดอันนี้แหละคือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดที่ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอยู่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราทําตามคําสัง่งคําสอนของพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด หรือว่าถ้ายังไม่สามารถยุติได้ในภพนิชานี้การเวียนว่ายตายเกิดของเราในภพหน้าต่อไปก็จะมีแต่สุขติเป็นที่เป็นที่ตั้งต่อไปนี่คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราภะเรปุเรนติสากะลัง เอวามวะอิโตชินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปฏทิตังตุนหังคิปเมวะสนิจจโตสัพเพบุเรนโตสังกปาจันโทปนาละโสยธามณิโชติละโสยธาสัพพิตโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะตะวันตาายยสุขีทีคาโยโกผวะอะพิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อาจจะไม่สะดวกที่จะตอบภายหลังเพราะหลังจากที่เลิกกันแล้วก็จะไม่สะดวกงนั้นถ้าอยากจะถามก็ต้องถามในช่วงนี้อันนี้มีผู้ติด ต, ตามทั้งหมดเท่าไหร่ครับนักราการพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะทางเ c e b o o k 483ท่านทาง YouTube พระอาจารย์315ท่านทางด r V Channel 49ท่านครับเฮา5ท่านวิทยุออนไลน์11ท่านหน้ากุติ156ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,019 ท่านเจ้าค่ะ มีคําถามฝากถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุิเจ้าค่ะมีลูกเป็นสมาธิสั้นและออทิสติกกรรมเกิดจากอะไรแก้อย่างไรขอบพระคุณค่ะกรรเกิดจากการไม่มีสติอะไรทาให้ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นได้ให้มีสมาธิในการกระทําอะไรต่างๆได้ก็ต้องฝึกสติไป เทาที่จะสามารถจะฝึกได้แล้วก็อาจจะต้องรอให้กรรมมันหมดก่อนสติมันถึงจะได้กลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ตามปกติต่อไปมีคำถามจากทางยูทูบสะค่ะจากคุณสมจาสายสะอาดกราบเรียนพระอาจารย์ครับหากนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงและมีสติดูจนแสงดับเกิดความสงบเย็น ว่างมีปิติควรปฏิบัติต่ออย่างไรครับความจริงไม่ควรที่จะไปดูแสงเวลานั่งสมาธิเราต้องดูอะไรที่เรากําหนดไว้ตอนต้นถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยอย่าไปดูอะไรที่เกิดขึ้นในขณะที่เราสมาธิทำอยู่เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันหมดไปพอหมดไปแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทาอะไรต่อ แต่ถ้าเราดูลมเราก็ดูลมไปเรื่อยๆเป็นกว่าจิตจะนิ่งสงบแล้วพอสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆไปมีคำถามจากคุณไ ร, ไรตะค่ะถ้าเรามีปัญหาทุกครั้งเราควรมีขั้นตอนอย่างไรให้จัดการปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ให้ ออกจากใจไปค่ะปัญหามันเกิดก็ น, นี่มันมีปัญหามันมีสองเหตด้วยกันเหตุภายนอกกับเหตุภายในเหตุภายนอกก็สิ่งที่มีปัญหาบางทีเราก็แก้ได้บางทีเราก็แก้ไม่ได้<ม>เช่นเกิดอาการโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมามบางทีก็รักษาให้หายได้บางทีก็รักษาให้หายไม่ได้<ม>อันนี้เป็น เป็นปัญหาภายนอกวนปัญหาภายในคือคือความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้มันเกิดจากความอยากของเราอยากให้ปัญหาภายนอกมันหายไปหมดไปแต่บางทีปัญหาภายนอกมันไม่หมดเราแก้ไม่ได้ปัญหาภายนอกถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์กับปัญหาภายนอกเราก็ต้องหยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้ปัญหามันหายไปก็ปล่อยมันอยู่ไป มองมันเหมือนกับว่าเป็นดินฟ้าอากาศเมนมันจะตกก็ต้องปล่อยมันตกไปไปห้ามมันไม่ให้มันตกก็ไม่ได้ถ้าเรายอมรับกับว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาภายนอกได้ยอมให้ปัญหาภายนอกมันเป็นไปของมันเองแต่เราจะแก้ปัญหาภายในได้คือใจเราจะไม่ทุกข์กับมันคำถามจากคุณใบบุญเจ้าค่ะ สอบถามว่าการไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุหากไม่สะดวกไปแต่ทำการปฏิบัติบูบชาที่บ้านถือว่ามีจิตศรัทธาเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราปฏิบัติก็ถือว่าเรามีศรัทธาถ้าเราไม่ปฏิบัติก็แสดงว่าเราไม่มีศรัทธาแสดงว่าเราเชื่อพระพุทธเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่แล้ว การไปกราบก็เพื่อไปย้ำเนความศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะพระรีอสงสาวกมีจริงคําสอนของท่านเป็นคําสอนที่จะพาให้เราได้รับประโยชน์อย่า ง, างแท้จริงถ้าเรามีความเชื่อแล้วไม่ต้องไปกราบก็ได้เราก็ไม่ได้ไปกราบเนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้ประมาทไม่ได้ไม่ได้อะไรจริงแต่ว่า การไปกราบก็ถือว่าเป็นมงคลสําหรับคนที่ยังไม่มีความมั่นใจว่าพระพุทธก็ทำพระสงฆ์มีจริงหรือไม่มถ้าได้ไปกราบแล้วก็จะเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาหายสงสัย<ม>แล้วก็จะได้นำเอาคําสอนไปปฏิบัติต่อไปได้<ม>แต่ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราก็ไม่จํำเป็นที่จะต้องไปกราบ<ม>ถ้าไปได้ก็ไป<ม>ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไร<ม>ขอให้ได้ปฏิบัติกันแล้วกัน การปฏิบัตินี้ผู้เจ้าถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่สูงสุดให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเจ้าค่ะคำถามจาก o o t ูบเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหากต้องการไม่เกิดแล้วของคู่ที่มีประโยชน์ในโลกหรือขันห้านี้หนึ่งอาทิตย์นับจากวันนี้ เอาแค่อย่างเดียวพอคือพุทธกับโททุกลมหายใจเข้าออกแค่นี้พอได้ไหมคะถ้าทาพุทโทได้ก็จะได้สมาธิแต่ยังไม่ได้ปัญญายังไม่หลุดจะหลุดต้องมองทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแล้วหยุดความอยากที่จะไปอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าหยุดความอยากได้ก็ถึงจะหลุด คำถามจากคุณชวนชมเรียนถามพระอาจารย์ค่ะสัตว์นรกอเวจีตายวรรคกี่รอบเจ้าค่ะก็ อ, อยู่ที่เราทําบาปกี่รอบอรอบนี้ทําบาปไปนรกเดี๋ยวกลับมาชาตินางกลับมาเกิดมาทําบาปอีกก็กลับไปนรกใหม่ไดอ้อยู่เรื่อยๆคําถามจากคุณเพียงพิษกระจายกรียเกียรตินั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งสงบ เย็นรู้สึกมีความสุขในความสงบนั้นแต่มีสตินึกได้ว่าไม่ควรยึดติดสิ่งใดแล้วกลับมาดูลมหายใจต่อทำอย่างนี้แล้วถือว่าถูกต้องหรือเปล่าคะเดีย๋ดวยวอลานคุณเพียงพิธถามเข้ามาว่านั่งสมาธิแล้วจิตนิ้งสงบเย็นรู้สึกมีความสุขในความสงบนั้น แต่มีสตินึกได้ว่าไม่ควรยึดติดสิ่งใดแล้วกลับมาดูลมหายใจต่อทําอย่างนี้ถือว่าถูกต้องหรือเปล่าคะก็ให้มันนิ่งให้มันสงบอย่าให้มันคิดอะไรถ้ามันคิดก็ต้องทําให้มันหยุดคิดได้มันนิ่งให้มันสงบไปเรื่อยเรื่อยยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ ะ, ะมาแล้วคําถามอยู่ข้างหลังเชิญ คุยใกล้กลๆมาเนี่ยเสียงแรงๆสาธุครับพราอาจารย์รายงานการปฏิบัติครับครั้งก่อนถามพระอาจารย์เรื่องการนั่งสมาธิครับที่ว่าพระอาจารย์บอกว่ากำลังของสติมันน้อย mm hmm. ก็เลยเข้าสมาธิได้ไม่นานแล้วก็ต้องดีดออกทีนี้ก็ไป มีสติในชวิตประจำวันมากขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นครับกำลังดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มากนะักก็จะถามพระอาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อครับว่าอยาก<ำ>จะให้มีสติมากขึ้นก็วันหยุดทำงานก็ลองไปปลีกวิเวกอยู่ที่ปฏิบัติคนเดียวแล้วไปฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเลยครือให้มีสติต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย ถ้าอยู่คนเดียวแล้วอยู่ที่ไม่มีงานยังอยู่ให้ทํานี่มันก็จะฝึกสติได้มากขึ้นแล้นนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วขึ้นได้นานขึ้นแต่ล้นก็ต้องเพิ่มการเจริญสติต่อไปในชีวิตประจําวันเราจะทําได้แค่นิดหน่อยเพอเราต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยกับคนนั้นคนนี้ทํางานสติมันก็จะหลุดไปครับแต่ถ้าเราไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่เขาให้อยู่ให้เจริญสติ มันก็จะมีเวลาฝึกสติได้มากขึ้นเมื่อมีสติมากขึ้นการเข้าสมาธิมันก็จะง่ายขึ้นอยู่ได้นานขึ้นได้ครับครับอาจงั้นเบื้องต้นก็เอาแค่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่คแค่นี้ก่อนเพราะมั น, มน เ, รเรียนหนังสือต้องเอากอไก่คอขายให้มันทานานก่อน ค, ค่อยไปหัดสะกดต่อไปได้ครับขอบคุณครับอื มีคำถามจากทางช่องด็อกเตอร์บชาแนเจ้าค่ะจากคุณเต้ยนิรุตคุณพ่อผมฟังธรรมกับอาจารย์ท่านหนึ่งมานานแล้วคุณพ่อมักจะบอกว่าธรรมะอยู่ที่ความเข้าใจฟังเยอะๆให้เข้าใจแต่ในความเห็นของผมผมเข้าใจว่าต้องมีปริยัตมีปฏิบัติแล้วจึงจะเกิดปฏิเวท ผมเข้าใจถูกไหมครับแล้วผมควรวางตัวกับคุณพ่ออย่างไรถ้าถ้าต้องการมีการสนทนาธรรมครับก็มันการฟังธรรมก็เป็นปริยัติอยู่เมื่อฟังแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติเช่นไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปรักษาสีผลนึงจะเกิดตามมาเรื่องการสนทนาธรรมกับผู้ใหญ่กับพ่อนี่ก็ต้องระวังอย่าไปพูดในทำเนื้อนองสอนพ่อ คุยกันนามธรรมดาถ้าพ่อถามอะไรก็ตอบไปแต่ไม่ควรไปชี้นะชี้บอกว่าพ่อต้องทำอย่างนั้นพ่อต้องทำอย่างนี้มันยังไม่สมควรต่อท่าฐานะของเราที่เราเป็นลูกนอกจากพ่อก็ถามว่าทาอย่างนี้พอไหมเราก็เราก็ให้ความเห็นได้แต่อย่าไปออกความเห็นโดยที่ท่านไม่ได้ขอความเห็นจากเราคำถามจากคุณมีมี เราจะทําใจไม่ให้โกรธคนที่ทําไม่ดีกับเราได้อย่างไรคะก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ทําไม่ดีสิที่เราโกรธเขาเพราะเราอยากให้เขาทาดีอยากให้เขาไม่ทําไม่ดีพอเขาไม่ทําไม่ดีเราก็เลยโกรธเขาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะทําดีก็ได้ไม่ทําดีก็ได้เราก็จะไม่โกรธเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขามีจากคุณลักกี้สมัยพรทองใบเจ้าค่ะ ถามมาว่าช่วงปิดเทอมนี้พระอาจารย์รับบวชเนรภาคฤดูร้อนใหม่คะเพอเราไม่บวชใครนั่นเพราะว่าเราไม่เป็นเจ้าวาดไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์เราเป็นแต่อาจารย์สอนธรรมะนั่นเองเรื่องการบวชนี้ต้องไปติดต่อกับเจ้าวาดติดต่อกับพระอุปัชฌาย์ท่านเป็นผู้กําหนดเวลาการบวชให้เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะ เดี๋ยวเราปัม้มเผื่อมีคำถามกาลังส่งเข้ามาเดี๋ยวจะรอสักนิดหนึ่งอยู่ลมหายใจพักสักเดี๋ยวก็ดีเหมือนกันยังไม่อยากจะเลิกเดี๋ยวคนที่กําลังอยากจะถามเราไม่ได้ถามคุณอยากจะถามไหมภาษาไทยเอาเข้ามาคนที่สนใจภาษาไทยฟังชอบฟังธรรมภาษาไทยแต่ศั์บางคํำนี่ก็ม า, มาเอาไมโครโฟนครับพี่นะเนี่ย something อยากจะถามอะไรถามได้เลยแบบเดียวตรงต้องทำผมจุดทำอะไรพูดดังๆเลยพูดพูดภาษาอะไรภาษาไทยก็ได้ใช่อได้อังกฤษก็ได้แล้วแต่สะดวก I'll ask you in English and you can reply in Thai โอเค So in the past few months I've started to become more serious about ปฏิบัติธรรม The more I practice, I feel like I can see k i l a t s more easily. And how do I put this? I don't think that new kilets are coming up. It's just that maybe I'm not as distracted and I can see them easier. Does l u m p a l think that? The more like, people practice. There s some amount of uh, discomfort that comes with practicing and separating from uh, the normal ways that we follow. Well, see, the purpose of practice is to to stop your kilesa, your defilement. And when you do this, you will face o p p o s i t i o n w from your defilement, so you l l feel discomfort every time you practice. So you have to endure this discomfort, try to ignore it, and try to. Overcome it by just developing more mindfulness. Try to have more concentration, more focus on something like your breath, the mantra "Buddha b u d o h a Watch what you are doing all the time. Try to stop or prevent your thought from thinking. Then you can overcome this discomfort that might be created by your defilement, your k l e s a Okay. Is that all? You have to speak c l o s e to the microphone. Okay. I cannot hear you quite well. Okay. Mm. The other day, my grandmother passed away. What's the best way to tambun pu t s a n a p s a n u n to? Just give something to charity, whatever charity you like to. When you give, you feel good. This good feeling is can be transferred to your grandmother. Mm -hmm. Make her happy also with your, with you good deeds. บังคอพูดว่าแต่งบุญด้วยทําเจตบ่าวนะจะมีประโยชน์ยิ่งกว่าทําบุญด้วยให้อาหารให้เ ส, สื้อผ้ามันยากกว่าไงมันยากกว่ากว่าจะได้บุญจากการปฏิบัติมันการที่คุณปฏิบัตินี้ถ้าจิตยังไม่สงบยังไม่ได้บุญพูหมาไม่ค่อยได้เย็น เวลาคุณปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่ได้บุญเพราะยังไม่ได้มันยังไม่ได้ผลแต่เวลาคุณทำทาบุญทําทานนี่มันได้ผล ท, ทันทีเหมือนเมือนฟาสต์ฟู้ดเยทำปุ๊บก็ได้สักปุ๊บก็ได้เลยสั่งแฮมเบอร์เกอร์ปุ๊บเขาก็หยิบ ม, มาให้เลยแต่ถ้าไปสั่งกอเมฟู food, ้ดเขาบอกต้องรอสวันเขต้องเตรียมรายการอะไรก่อนาาอยาก อยากสําหรับคารวาที่จะอุทิศบุญด้วยการด้วยการปฏิบัติรครับครับพราะอุตจามถึงไม่ได้สอนให้อุทิศบุญด้วยการปฏิบัติธรมรมเจ้าสอนให้อุทิศบุญด้วยการทําบุญทําทานใช่ไหมครับโอเคขอบคุณนะครับมีคําถามจากคุณอังคณาวุฒิภูมิเจค่ะกับ เรียนพระอาจารย์ค่ะอานิสงส์จากการที่บุตรสวดมนต์และทำสมาธิสามารถส่งถึงบิดาบรรดาทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับอานิสงส์นี้ไหมคะไม่ได้หรอกเรายังไม่ได้ผลเลยเรายงยังไม่ได้ผลก็จะไปส่งผลให้คนอื่นก็ได้ยังไง ค, คำถามต่อไปการที่มีคนอิจฉาเราเราควรวางใจอย่างไรคะก็ถือว่าโลกนี้มีทั้งคนที่ก็อิจฉาเราและคนที่เขาไม่อิจฉาเราเราไปแยกไปเลือกเขาไม่ได้เหมือนโลกนี้มีทั้งกล้วยมีทั้งส้มเราจะเอาแต่กล้วยอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเจอทั้งสองอย่างเจอทั้งกล้วยเจอทั้งส้มคำถามจากคุณปุ๊ก ค, ค่ะกราบนวัชการค่ะ ตอนเดินออกกําลังกายตอนเช้าฟังยูทูปของพระอาจารย์ไปด้วยแบบนี้จะได้บุญไหมคะก็ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าถ้าฟังเข้าใจก็ได้บุญถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ยังไม่ได้บุญค่ะคำถามจากคุณศิริการค่ะ กราบเยมนพระชาจาค่ะนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกโดยกำหนดลมเข้าออกนับหนึ่งสองไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกลมหายใจหายแบบนี้ต้องทำยังไงคะก็ะนับไปเฉยๆก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้นับหนึ่งสองสามไปก็ได้ยังมีคำถามมาแล้วก็ยังถามมาไม่หมดเช้าค่ะ ไม่ถึงยังเข้ามาไม่ไม่ถึงหรือว่าค่ะก็คือ YouTube เขาจะให้พิมพ์แค่นิดเดียวอะต้องรออไมดูก่อนว่าคำถามเข้ามาแล้วค่ะเหตุที่ทุกอย่างในโลกใบนี้มีประโยชน์เพราะธาตุที่เรียกว่าสเปกจะเกิดได้ด้วยเราละอีกสิ่งเขาลบคำถามไปแล้วจว้า